สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายทักษกรคนชอบเล่าคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานก็ต้องขออภัยจริงๆครับอย่าเพิ่งโกรธผมเลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็รู้สึกผิดนะครับเอาเป็นว่าผมจะทยอยนําเรื่องราวจากท่านสมาชิกออกมาถ่ายทอดเรื่อยๆนะครับบางช่วงมันก็เบลเบลต้องไปไล่เรียงก่อนครับว่าเรื่องของใครที่ส่งมาก่อนเอาล่ะครับ ทีนี้ก็มาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่มีนามว่าบะคุณชายขี่หลังควายกันบ้างนะครับโดยเรื่องนี้คุณชายเล่าว่าเมื่อสมัยก่อนนั้นตอนที่ผ ม, มาอายุประมาณ 6-7 ขวบตอนนั้นหมู่บ้านที่ผมอยู่มันก็ยังมีตะป่ารกไม่ค่อยจะเจริญมากนะักถนนก็ยังเป็นดินรอบหมู่บ้านแถวหมู่บ้านที่ผมอยู่เฉลียงวัว ก, กันเยอะมากแต่ละบ้านนั้นก็มีร า, ราวๆสตัวถึงร้อยตัวได้ครับเป็นไงล่ะเยอะไหมล่ะ เขาเรื่องกันเลยดีกว่ามันมีเรื่องอยู่ว่าคืนหนึ่งผมและพวกพี่กับรุ่นใหญ่กาลังนั่งเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ที่หน้าบ้านผมมันก็คือการนั่งสังสรรค์กินเหล้าด้วยกันโดยมีสมาชิกอยู่ร่วม 17-18 คนแต่ตัวผมนะ่ะไม่ดื่มนะครับเพราะผมนั้นจะถนัดไปทางกินกับแกล้ามมากกว่าแล้วก็นั่งดูพวกพี่แกทั้งหลายนั่งกินเหล้ากันในคืนนั้นผมก็นั่งดูไปกินไป พวกพี่ๆก็กินเหล้ากันไปนั่งไปกินกันไปแบบเพลินๆจนเวลาล่วงเข้าไป 3-4 มถึทุ่มก็ได้ยินเสียงวัวร้องขึ้นแบบว่าร้องแป๊บหนึ่งแล้วก็เงียบไปผมก็สังเกตเห็นว่าพวกพี่ๆเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรสงสัยจะเมากันมั้งแล้วอีกสักพักหนึ่งพี่ปีแกรก็ลุกขึ้นไปฉี่ระหว่างที่แกเดินไปหาที่ยิงกระต่ายนั้นสายตาแกก็เหลือบไปเห็นสิ่งสิหนึ่งสิ่งนั้นมันคือเงาดำๆแต่คุ้มแต่คุ้มอยู่ข้างอคอกวัว จึงได้เอ่ยปากบอกพี่สายคำผมให้เอาไฟฉายส่องหน่อยพี่ผมได้ยินก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านไปหยิบไฟฉายออกมาและเมื่อกายพร้อมใจพร้อมเมื่อพี่สายผมวิ่งออกมาก็รีบส่องไฟฉายไปที่คอกวัวทันทีและไฟฉายก็แทบจะหลุดออกจากมือพระภาพที่แสงของไฟฉายส่องไปเห็นนั้นมันก็คือเสือตัวหนึ่งกําลังนั่งกัดแทะวัวกินอยู่พี่ผมตกใจมากรีบตะโกนให้คนในวงเล่ามาดู และโดยไวอย่งไม่ต้องเรียกซ้ำทุกคนในวงเล่าก็รีบออกมาเมื่อไปเห็นภาพนั้นโดยพร้อมเพรียงก็นิ่งอึ้งตกใจยืนงงงันจนไปสักพักและผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ตกใจด้วยจากแสงของไฟฉายที่สาดไปโดนตัวมันที่ข้างคอกวัวทำให้ผมเห็นเลือดเต็มหน้าของเสือตอนนั้นผมมีอาการเงินงงและสับสนมันมาได้ยังไงและนี่ก็นับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่เห็นเสือแบบเป็นๆและระยะใกล้ ระหว่างที่กําลังยืนเหว่กันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงนักกลุ้ยบอกให้ผมวิ่งเข้าไปในบ้านระหว่างนั้นผมก็เห็นพ่อแบกปืนอะไรเฟื่ออกมาที่หน้าบ้านแล้วแกก็ปิดประตูจากนั้นผมก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์อีกแล้วปังแต่ได้ยินเสียงพ่อยิงปืนขึ้นนัดหนึ่งพร้อมกับเสียงของแกตะโกนเรียกเพื่อนบ้านเสือวอยเสือปังแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกนัดหนึ่งพวกพี่ๆเกิดความอยากรู้อยากเห็นจึงได้พากันวิ่งออกบ้านไปดู และตัวผมก็ไม่พลาดด้วยเช่นกันผมเห็นพ่อวิ่งถือไฟฉายไปทางหลังคอก ว, วัวปังเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกนัดมีผู้ผู้ใหญ่หลายคนวิ่งตามกันมาเต็มไปหมดแต่ละคนถือปืนกันคนละกระบอกวิ่งไปถามผู้พี่ๆว่าอยู่ไหนไปทางไหนผู้พี่ๆก็บอกว่าพ่อมิตรวิ่งตามไปแล้วนู่นไฟฉายส่องไปทางโน้นออลืมบอกครับพ่อผมชื่อมิตรและผู้ผู้ใหญ่ก็รีบวิ่งตามกันไปโดยล้อมเป็นวงกว้างเหตุการณ์ก็กลับมาสงบเงียบเป็นสักพัก เราสามสี่ชั่วโมง ก, กว่าเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกหลายนัดเราราวสิบนัดได้ผมกับผู้พี่ๆก็ได้แต่นั่งลุ้นแล้วก็รอคอยอยู่เมื่อประมาณเวลาตีสี่กว่าก็ได้ยินเสียงผู้ผู้ใหญ่กันมาเดินกลับมาที่บ้านไม่ได้กลับกันมาตัวเปล่าแต่แบกเสือโคร่งตัวใหญ่กลับมาด้วยซึ่งขนาดของเสือตัวนี้ใหญ่มากถึงขนาดมันตายแล้วผมเองยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยเห็นผู้ผู้ใหญ่ช่วยกันพลิกศพมันแล้วก็ตรวจดูหาร่องรอยที่มันโดนยิง ปรากฏว่าเข้าที่ขอสองนัดเข้าที่ท้องห้านัดขาหลังอีกหนึ่งนัดและผู้ผู้ใหญ่ก็จะแจงเตรียมของช่ำแหละแร่หนังมดกมาจากนั้นก็เอาหนังมันมาตากแห้งฟันเสือทุกซี่ถูกถอดออกมาเก็บไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็มุ่งไปที่คอกวัวไปดูวัวที่โดนกินตรวจดูแล้วก็ยังเห็นว่ายังพอนำมาทำอาหารกินได้ก็เลยแบกซากวัวมาทากินกันแม้เสือจะน่ากลัวเพียงใด แต่ปฏิบัติการสังสรรค์ก็ยังดำเนินต่อได้ซึ่งหนังเสือโคร่งตัวที่ว่านี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับโดยอยู่ที่บ้านนาของผมทีนี้ก็มากันที่เรื่องของผมบ้างเรื่องที่ผ่านมาก็คือในวัยเด็กทีนี้มาฟังประสบการณ์ตอนอายุ 17-18 ปปีบ้างซึ่งผมต้องบอกว่าระหว่างที่ผมเติบโตมานั้นผมเป็นคนที่ชอบเข้าป่ามากและเมื่อช่วงอายุขนาดนั้นก็ถือได้ว่าไปทุกวันใครมาชวนเข้าป่าก็ไปหมด แล้วมาวันหนึง่งพี่ช้างซึ่งแกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับผมแกก็มาหาผมที่บ้านแล้วก็เอ่ยปากชวนว่าไปป่าเปล่าไปแล้วจะไปป่าทางไหนผมก็ตอบตกลงแกทันทีไปทางวังเจ้าแกตอบครับผมผมบอกแกไปงั้นบ่ายก็เตรียมตัวนะครับผมตอบแกอีกครั้งจากนั้นแกก็เดินกลับบ้านพร้อมด้วยเสียงตะโกนกลับอีกว่าเตรียมของเลยนะเดี๋ยวจะลืมเอาป่าทางวังเจ้า เขาบอกว่ามีสัตว์ใหญ่เยอะมากทั้งเก้งกวางหมูป่าชะนีอีเห็นกระรอกและอีกนับนานาชนิดซึ่งก็นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เข้าป่าวังเจ้าผมรีบเดินกลับเข้าไปในบ้านเตรียมของเอาน้ําเอาข้าวมีดไฟฉายแล้วก็ปืนจุดสติดกล้องของผมเมื่อเตรียมของเสร็จเรียบร้อยผมก็มานอนเอนที่เปลคิดอะไรไปรื่อยเปื่อย แต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงไอ้ไก่เวนตัวเมยียของผมมันร้องขันขึ้นมาซส ง, งั้นซึ่งคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านผมจะถือกันมากเขาเล่ากันว่าถ้าเราจะออกไปไหนแล้วมีแม่ไก่มาขันก่อนเวลาที่ตัวผู้มันจะขันนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเมื่อออกไปแล้วจะเจอกับปัญหามันทําให้ผมเกิดความลังเลเมื่อคิดถึงข้อนั้นและก็นอนใคร่ครวญคิดว่าจะไปดีไหมคิดไปคิดมาก็เผลอหลับไปจนได้ เมื่อเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆพี่ช้างก็มาตามผมไอซาเนยครับผมสะดุ้งตื่นตอบแกไปมึงเตรียมของเสร็จหมดหรือยังเสร็จแล้วครับพี่ผมตอบแกงั้นก็ไปกันเลยกว่าจะไปถึงก็ค่าพอดีจะไปกันเลยเหรอผมถามแกอีกครั้งเออกว่าจะไปถึงก็สองสามชั่วโมงแล้วแกบอกผมก็เลยต้องรับปากแกว่าครับเมื่อเจรจากันเสร็จเราจึงได้เดินทางเข้าป่ากันการเดินทางของเราเริ่มจากป่าเล็ก เริ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มรกเริ่มทึบขึ้นเราเดินกันมาได้ชั่วโมงกว่ า, ก, วาก็ได้ยินเสียงหมูป่าวิ่งมันวิ่งกิดเป็นฝูงใหญ่เสียงดังไม้แห้งหักโป๊กปากเสียงดังลั่นเอาล้วโว้ยเริ่มมีแววได้ตัวแล้วไอ้น้องพี่แกว่าจริงด้วยพี่อย่างที่กขาบอกเลยทางนี้สัตว์เยอะผมสนับสนุนความคิดของแกแน่นอนทางนี้เขาใหญ่แกว่าจากนั้นพวกเราก็เดินกันไปต่อ แบบไม่ได้พูดได้เคลืออะไรกันตลอดทางที่เราเดินนั้นป่าเงียบมากมันทําให้ผมนั้นคิดย้อนกลับไปที่ไอ้ไก่เวนของผมมันขันแล้วจิตมันก็คิดวิตกกังวลไปเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าพวกเราจะเจออะไรเราสองคนมุ่งหน้าเดินกันต่อไปเรื่อยๆความคิดวิตกกังวลของผมนั้นมันก็เล่นงานอาจนเครียดไปเลยแล้วก็คิดหนใจว่าเอ www ไหนๆก็มากันแล้วจะกลัวทําไม เราเดินต่อกันไปเรื่อยๆประมาณสองชั่วโมงจึงได้หยุดนั่งพักนั่งคุยกันเดี๋ยวพี่จะไปรอทางต้นมะกอกนะพี่ชางบอกพร้อมกับชี้มือให้ดูครับพี่แล้วผมจะไปรอทางไหนล่ะผมถามแกไปแกก็บอกผมให้เดินไปข้างบนอีกหน่อยหนึ่งจะเจอบ่อตาน้ําพร้อมกับชี้มือไปทางไหลเขาข้างบนครับผมพร้อมปฏิบัติตามแกบอกเรานั่งคุยกันไปได้สักพักหนึ่งตอนนี้เวลาก็เริ่มค่ําแล้วเพราะความมืดก็เริ่มจะรวยตัวลงมาปกคลุม และพี่ช้างก็บอกให้แยกแย้าย ก, กันได้แล้วพูดจบพวกเราก็ลุกขึ้นเดินแยกแย้าย ก, กันไปผมเดินไปตามไหล่เขาสักพักก็เจอตาน้นอย่างที่แกว่าตรงบริเวณนั้นมีอรอยเก้งหมูป่าลงไปกินน้ำเล่นน้ำกันผมจึงได้มองหาทําเลที่จะนั่งเฝ้าตาน้ำเมื่อมองไปมองมาก็เจอเขากับต้นไม้ขนาดใหญ่6กขนโอคมันช่างเหมาะเสียจริงๆผมก็รีบปีนขึ้นไปนั่งข้างบนทันทีโดยขึ้นไปนั่งช่วงกิ่งที่มันแยกออกมา ก็ถือว่าโชคดีที่มันนังได้พอดีเพื่อความปลอดภัยผมจึงเอาเชือกมามัดรอบเอวผมไว้กับกิ่งต้นไม้ต้องกันเมื่อเวลาที่เผลอหลับจะได้ไม่ร่วงลงมาบรรยากาศ ร, บรอบๆตัวดูอึมครึมและเงียบท้องฟ้าก็มืดลงแล้วมันค่อยๆมืดลงมืดลงจนมองอะไรก็มัวๆแต่ใส่ตาก็ยังพอเห็นอะไรได้รางๆผมจึงเอากล้องที่ติดปืนออกเพราะเวลากลางคืนก็คงไม่มีจิตใจจะใช้กล้องแล้ว ผมยิบบุรี่ขึ้นมาจุดสูบสูบไปแล้วก็นั่งคิดไปเรื่อยๆกับความเงียบเฮ้ย <Hey! S 1> ผมสะดุ้งตกใจเฮ้ย hey! เสียงอะไรใครมาเรียกจนปากนั้นเกือบจะเผลอตอบไปแต่ก็คิดได้ในใจขึ้นมาว่าไม่ควรตอบเด็ดขาดในความมืดนั้นผมพยายามใช้สายตามองไปรอบๆหาที่มาของเสียงแล้วก็ไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรคิดในใจเสียงใครวะผมยังคงนั่งนิ่งบนต้นไม้ พร้อมกับความสงสัยว่าเสียงใครและความมืดรอบกายในเวลานั้นมันก็มืดมากจนทำให้มองไม่เห็นบ่อน้ําแล้วผ ม, มเอนตัวพิงบนต้นไม้พร้อมกับฟังเสียงของธรรมชาติรอบกายแบบสงบพยายามไม่คิดฝุ้งซ่านเฮ้ย <Hey! S 1> มันมาอีกแล้วเสียงใครวะจู่ๆความหนาวเย็นก็แผ่ซ่านขึ้นมาตามสันหลังถึงต้นคอไอ้ใครวะผมขึ้นปืนรอไวเลย คิดในใจพี่ช้างแกก็นั่งอยู่ห่างไกลกันนี่วะถ้าแกเดินมาผมก็ต้องได้ยินเสียงแกเดินบ้างแต่นี่ไม่มีเสียงเดินมีแต่เสียงร้องเรียกเฮยแล้วไอ้เฮ้ยที่ได้ยินมันคือเสียงของใครคิดไปคิดไปมีแต่ความสงสัยเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วเสียงเฮยมันก็ดังขึ้นมาอีกรอบนี้ทําให้สติของผมขาดลงความโมโหูเข้าครอบงำผมตะโกนกลับออกไปว่าใครวะมึงแน่จริงออกมาไอ กูจะยิงให้ไสแตกเลยพูดจบผมก็เอาปืนจุดสงสองขึ้นเตรียมเล็งยิงมองไป ร, บรอบๆกายซึ่งตอนนี้แสงจันที่สาดส่องนั้นทำให้พอมองเห็นข้างล่างได้บ้างถึงจะมืดแต่ก็พอรู้จากชวว่าของแสงจันที่ส่องทะลุใบไม้ลงมาให้เห็นครั้งนี้ไม่ผิดหวังผมเห็นเงาดำๆรูปร่างคลายคนจนมันเดินเข้าไปในมุมใต้เงาของต้นไม้ซึ่งก็คือต้นที่ผมกำลังนั่งอยู่ เงานันเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาจนใกล้ใกล้มาแล้วเงานันก็เดินหายเข้าไปในพุ่มไม้ใหญ่ผมนิ่งเงาแตกและหนาวระหวังที่จ้องดูอยู่จากที่เงานันเข้าไปในพุ่มไม้แล้วผมก็ไม่เห็นว่าเดินออกมาอีกเลยตอนนี้อาการสับสนวุ่นวายในจิตใจของผมมีมากขึ้นทุกทีกลัวใช่ผมกลัวมันคนหรือผีวะ ระหว่างที่กำลังสับสนอุลามานกับตัวเองอยู่นั้นปังสิงปืนลูกสองของพี่ชางก็ดังขึ้นสนั่นป่าสติผมกลับมาคิดแกยิงอะไรแล้วแกจะเดินมาหารอไหมกลัวก็กลัวขอให้พี่แกเดินมาหารอทีเถอะระหว่างนั้นผมก็ได้แต่นั่งเงียบนิ่งตัวแข็งใส่ตาก็ได้แต่จ้องมองไปที่พุ่มไม้ที่เงานั้นหายเข้าไปหลุ้นอยู่ตลอดว่าเงานั้นมจะเดินออกมาหารอยอีกไหม หลุนจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเสียงลมหายใจก็ดังชัดเจนฟืดฟาดฟืดฟาดเหมือนจะเป็นไข้สักพักผมก็เห็นแสงไฟแสงสว่างกำลังเข้ามาทางผมแสงนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนผมรู้ว่านั่นเป็นพี่ช้างพี่ช้างนั่นเองแกกำลังเดินมาหาผมเมื่อได้ระยะผมก็ตะโกนถามแกไปพี่ยิงอะไรอะยิงเก้งแล้วมึงเจออะไรบ้างไหมวะแกตอบ ไม่เลยพี่ผมตอบแกพร้อมกับรีบแก้เชือกปีนลงไปหาแกตัวใหญ่ไหมผมถามแกเพอได้ตัวใหญ่อยู่ตัวผูดซะด้วยดีเลยพี่ผมบอกแกไปผึ่งนี้สาวเราก็ค่อยกลับกันแกบอกเออพี่เมื่อกี้ผมเจออะไรไม่รู้เห็นแต่งเงาดำๆเดินมาทางผมเห็นเดินเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็ไม่เห็นออกมาอีกเลยผมเล่าให้แกฟังเฮ้ยก็อย่าไปทักดีเจอก็ยิ้มเยบไว มึงเองนั่นอาจะยิงไล่ไปเลยก็จะได้รู้ว่าเป็นผีหรือคนแก่ว่าไม่กล้านะดิพี่ผมบอกแกไปงั้นเราเดินไปพักตรงที่หญิงเก้งกันก่อนละกันผู้จบเราก็พากันเดินไปเมื่อไปถึงผมก็เห็นเก้งนอนจมกองเลือดอยู่มันโดนเข้าที่ชายโครงพี่ช้างแกก็บอกผมว่าคืนนี้ก็นั่งอยู่กับแกนนั่นแหละเดี๋ยวเรานั่งกินน้ําและสูบบุหรี่กันก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นห้างกันแล้วเราก็พากันนั่งลง เปิดกระเป๋าเอาน้ำเอบุรี่ขึ้นมาสูบกันใจผมกําลังผ่อนคลายเริ่มอบอุ่นเริ่มมีที่พึ่งแต่ว่านั่งกันได้แค่แบบๆแบบเราก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกําลังวิ่งอยู่รอบๆที่เรานั่งอยู่ ต, ตุบ ต, ตับ ต, ตุบตับตุบตับพี่ช้าง เ, าเปิดลูกสองขึ้นพร้อมเปิดไฟฉายแล้วก็ลุกขึ้นมองไปรอบๆผมก็เปิดไฟฉายดูรอบๆเพื่อหาต้นเสียงพี่ช้างหยิบนาฬิกาออกมาดูเวลานี่กระป๋าเข้าไปตั้งตีสองแล้วแล้วแกก็หันมาบอกว่า เรากลับกันเลยดีกว่าคืนนี้สักไม่ดีแล้วพูดจบแกก็เอามีดของแกออกมาตัดไผ่เพื่อทําขานแบกเก้งตัดไผ่มาเชื่อกอะไรกันเสร็จก็แบกขึ้นบ่าเดินกลับกันแต่เรื่องมันยังไม่จบทีนี้ทั้งผมทั้งพี่ช้างก็ต้องตกใจสะดุ้งกันพร้อมกับหนาวสันหลังและกลัวอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเฮ้ย <Hey! S 1> พี่ช้างรีบส่งไฟไปตามเสียงก็เห็นเงาดาๆยืนอยู่ข้างต้นไม้ผมสะดุ้งยืนอึ้งไปเลยคิดในใจชื่อไหายแล้วกู จะได้กลับถึงบ้านหรือเปล่าวะพี่ช้างเห็นปุ๊บแกก็ไม่พูดอะไรแกก็หันหลังให้เดินตามทางแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านอย่างเดียวไอ้ผมที่อยู่ข้างหลังแกก็กลัวว่ามันจะเดินตามหลังเราผมเอาปืนขึ้นสไพร์หลังหลังจากที่เดินทีนี้ก็เริ่มวิ่งแล้วก็ตะโกนบอกแกเร็วๆหน่อยแกก็หันมาตอบว่าเออเออก็รู้แล้วผมกับแกสองคนช่วยกันแบกเก้งวิ่งกันลงเขาเหนื่อยก็เหนื่อยกลัวก็กลัวแต่ความเหนื่อยมันก็แพ้ความกลัว ผมกับแกพากันแบกเก้งวิ่งลงดอยโดยไม่ได้หันหลังกลับพากันวิ่งลงมาจนถึงตีนดอยที่้างแกก็ส่งไฟกลับขึ้นไปดูแล้วเราก็เห็นเงาดำขนาดใหญ่กำลังยืนจ้องมาทางพวกเราตาเขาเขาวเมื่อเห็นแล้วก็ทิ้งเก้งแล้วก็พากันวิ่งต่อไม่เอาแล้ววิ่งกันอย่างเดียวไม่สนใจมันแล้วเนื้อเก้งวิ่งกันมาก็เริ่มเจอสวนยางผมกับพี่้างจึงหยุดวิ่งและนั่งหอบกันในสวนยาง พอหายเหนื่อยก็พากันเดินกลับบ้านรุ่งเช้าก็ไปหาคุณมาเป็นเพื่อนกลับไปเอาเก้งที่ทิ้งไปกลางทางแต่ผมไม่ไปแล้วหลังจากวันนั้นผมและพี่ช้างก็ไม่สบายอยู่4ีหวันและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เลือกเข้าป่าไปเลยจน21ปีครับแล้วเรื่องราวของท่านสมาชิกที่ใช้นามว่าปะคุณชายขี่หลังควายก็จบลงแล้วนะครับก็หวังว่าเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่ได้กรุณาแบ่งปันมา จะทำให้ทุกท่านมีความสุขกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสับกันนะครับสมุนไพรไทยนะ่ะไว้ไล่อยู่ก็ได้ถูกแล้วครับแต่ใครและก็ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนอุดมด้วยสติและปัญญาในการดํารงชีวิตสมบัติทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ